ในทุติยฐานสูตรพระองค์ตรัสเป็นคถาว่าการธรรมะสามประการนี้คือการให้ทานด้วยสัทธานหนึ่งการให้ทานด้วยเฮเรสหนึ่งการให้ทานอันหาโทษมิได้หนึ่งเป็นไปตามสัตบุรุษบัณฑดตกล่าวทำสามประการนี้ว่าเป็นทางไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง ไตรทิพย์นี่เป็นชื่อของสวรรค์ชั้นดาวดึงชนทั้งหลายย่อมไปสู่แถวโลกด้วยทางนี้ทางคือการให้ทานมักคือการให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานด้วยหิริหรือให้ทานอันหาโทษไม่ได้อะไอันนั้นแหละเป็นทางไปสู่สวรรค์ทานที่มีโทษนี่มีไหมมีก็ให้ทานเพื่อส่งเสริมให้คนทุศีลยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะให้ของที่ไม่ควรให้ให้ของที่มีโทษเนี่ยนะ แล้วก็ให้เพื่อส่งเสริมคนบาปให้ไปทำบาปยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอย่างเงี้ยไม่ดีแต่ถ้าหากว่าให้ทานด้วยศรัทธาด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเป็นต้นแล้วก็ให้ทานด้วยละอายต่อความชั่วทั้งหลายให้ทานวัตถุที่ให้ก็เป็นของที่หาโทษไม่ได้อันนี้แหละเ ร, รนนียกว่าเป็นทางไปสู่สวรรค์นะที่วิญญาณแปลว่าทางไปสู่สวรรค์เหมือนนหรือว่ารังเกียจสวรรค์ คงไม่มากนะเนี่ยบอกโอ้ยขออย่าไปอาบายเลยมนุษย์ก็ไม่มาอีกนะก็เท่ากับบอกว่าจะไปสวรรค์นั่นแหละเขามาว่าไนปะอยู่สักกี่วันเชโนอะค <c oughs> ่าใช้จ่ายมันแพงนะว่างั้นนะที่สวรรค์ค <c oughs> ่าใช้จ่ายมันแพงโอ้คิดดูนะสมมุติว่าอย่างที่อยู่ที่ดีๆพิเศษเลยนะระดับพิเศษเลยอะ่ะมันแพงนะทุกเรื่องจ่ายแพงหมดเลย ทีนี้เราคิดว่าบุญเราจะอยู่ได้นานขนาดนั้นเลยหรืออย่างที่เขาบอกอุย้ยจารุมนะอายุเก้าล้านปีดาวดึงสามสิหกล้านปีเป็นต้นเนี่ยอันนั้นสําหรับคนที่เขามีบุญเขาอยู่ได้เต็มอ่ะนะ<ม>แต่ว่าคนไม่มีบุญนะอย่างบางคนเนี่ยไปมีอยู่แค่วันเดียวก็มีบางคนอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก็จุติแล้วบางคนอยู่ไม่กี่เดือนก็จุติแล้วเพราะฉะนั้นคนที่อยู่จนหมดอายุนี่จริงๆก็ไม่มากอะไรนะแล้วพวกที่หมดอายุแล้วนะถามว่าถึงเก้าล้านปีมันหมดอายุแล้วไปไหนต่อ ถ้าคนมีบุญก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยนึกถึงบุญแล้วไปต่ออีกไงไหมถ้าคนหมดบุญนะทีนี้มันตัญหาว่ามันตกเลยจากมนุษย์ลงไปอีกอันนี้เนี่ยนะบุญเก่าไปใช้หมดแล้วที่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์อดอยากอีกอันนี้ก็เดือดร้อนอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็มาทบทวนให้ดีนะชีวิตในวัฏฏานี้ไม่ใช่จะอยู่ง่ายๆนะบางคนบอกอยฉันไม่ศึกษาหรอกธรรมะเพื่อออกจากวัฏฏอยู่อย่างนี้แหละ ยังก็ว่าวัตะมันอยู่ง่ายอย่างนี้แหละราะมาว่านะศึกษาธรรมะออกจากวัตะง่ายกว่าอยู่ในวัตะเยอะเนี่ยนะไม่ต้องไปแก่งแย่งใครด้วยเนี่ยมักมีองค์แปดไม่มีใครแย่งกันเดินเลยนีทางนี้ทางโล่งมากนะไม่ค่อยมีใครแย่งกันเดินเลยแต่มิจฉาทิฏฐินี่เบียดกันไปเลยนะมิจฉาวาจานี่ก็เบียดกันบ่ามิจฉากัมมันตาก็แย่งกันไปทําเนี่ยนะแต่ว่าพวกมักมีองค์แปดเนี่ยอูย้ทางโลง่งทางนี้ดีเหลือเกินแต่ก็คนก็ไม่ค่อยไปกัน มีหน้านะอภัยจึงยัดเยียดเหลือเกินอีกสูตรหนึ่งสูตรที่สามบอกว่าทานนะวัตถุสูตรบอกว่าวัตถุทานแปดประการนี้แปดประการเป็นชนะไหนคนบางคนในโลกนี้ให้ทานเพราะชอบพอกันโอ้ยต้องให้คนที่เราชอบเท่านั้นแหละคนเราไม่ชอบไม่ให้หรอกอย่างเ้ย น, นะเรียกว่าเลือกผู้รับอะนะเราต้องให้คนที่เราชอบอก็ดีกว่าไม่ให้ก็แล้วกันลนะ่ะเราแทาเราเปรียบนะั่นต้องเปรียบกับสิ่งที่เลวกว่าใช่ไหมอย่าไปเปรียบสิ่งที่ดีกว่าอย่างเงี้นะ เพราะฉะนั้นหนึ่งให้ทานแก่คนที่ชอบพอกันสองให้ทานเพราะความโกรธให้ทานเพราะความโกรธเป็นยังไงอุ้ยมาขอดีนักแลยก็ให้ไปตัดความรำคาญใครว่าซื้อความรำคาญบอกเอาไปเอาไปรีบไปเลยอย่างนั้นเ่ยนะพวกนี้เรียกว่าให้ทานด้วยความโกรธบางคนก็ให้ทานเพราะความหลงหรือว่าขอให้ก็ให้ให้ให้ไปอย่างนั้นแหะเขาขอขก็ให้ให้ใไปอย่างนั้นแ่ะไม่รู้ว่าให้ทําไมก็ไม่รู้คนเอาเอาไปทําไมก็ไม่รู้ไม่รู้ทรากอย่างรู้แต่ว่าให้ก็แล้วกันล่ะ อันนี้เรีกว่าให้ทานเพราะความโง่บางคนให้ทานเพราะความกลัวกลัวเขาคอระหะหรือไม่ก็กลัวตกนรกอย่างที่ว่าไปบางคนก็ให้ทานเพราะนึกว่าบิดามารดาปู่ยา่าตายายเคยให้มาเคยทามาเราไม่ควรทำให้เสียวงตระกูลดั้งเดิมอย่างเช่นบางคนเขาตั้งโรงทานเขาให้ทานนี่เพราะทำตามวงตระกูลแต่เพราะตระกูลนี้จะต้องให้ทานอย่างนี้จะต้องทา สังเกตดูนะอย่างวัดบางวัดเนี่ยเป็นวัดตามตระกูลจริงๆเพราะนั้นตระกูลของเขาจะต้องมาอุปถัมภทท อ, ท อ, ท, อ, ท, อ, ท, อทอดกันมาบางวัดเนี่ยดูแลมาหลายชั่วตระกูลแล้วด้วยกันเนี่ยนะเพราะนั้นเขาเรียกว่าพวกนี้ว่าให้ทานตามบรรพัพบรุษทำบุญตามบรรพัพบรุษบางพวกให้ทานเพราะนึกว่า เราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หมายค่ะว่าทานเนี่ยนะเป็นสเสบียงทางเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในสวรรค์ก็จะได้มีวัตถุเป็นเครื่องบริโภคเป็นต้นบางคนบอกอุ้ยทําบุญแล้วปรารถนาสวรรค์มันไกลเกินไปเพราะงั้นยอมมากไกลหรือเปล่าเพราะ ม, มาว่าไม่ไกลหรอกอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกันแล้วเนี่ยมันจะไปไกลได้ยังไงใช่ไหมหรือว่ามันอีกนอนอีกตั้งหลายปีอย่างเงี้ยนะอีกตั้งสองปีก็ตายแล้วอย่างนง้ยนะ นานมากหรือสองปีเขามายังนึกในใจนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเดือนมีนาแล้วนะเนี่ยให้เดือนหน้าก็เมษาเฮ้ยทาไมมันไวขนาดนี้อีกจะเข้าพรรษาแล้วหรือเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้ก็ไม่รู้นะรู้สึกว่ามันเร็วจริงๆเลยนะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยนีมันเร็วมากมากเลยทําไมมันเร็วขนาดนี้แล้วมันจะไม่ตายแล้วอยู่ได้ยังไงกันเนาะตายแน่นอนละเชื่อแน่ว่าตายแน่เพราะวันเวลามันเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็หมดเวลาเดี๋ยวก็ฉันเทนอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็กลับบ้านเดี๋วก็ตื่นเดี๋ยวก็นี้ปะนี้ไปเดย มัเมนเร็วขนาดนี้จริงๆเร็วขนาดนี้จะไม่ตายได้ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นใครไม่ฆ่าใครมันก็ตายเชื่อเหอะต่อไปบอกว่าบางคนนี้ให้ทานเพราะว่าพรานึกว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมเลื่อมใส ความเบิกบานใจความดีใจย่อมเกิดตามลําดับเนี่ยนะเราให้ทานซิเราจึงจะได้สบายใจเนี่ยนะถ้าเราไม่ให้ทานแล้วเราจะสบายใจได้อย่างไรบางคนนี่อึดอัดใจมากนะเพราะอึดอัดมองซ้ายมองขวาไปให้ทานดีกว่าเนี่ยนะอันนั้นก็ควรให้อันนี้ก็ควรให้ให้เสร็จแล้วอู้สบายมากเลยนะบางคนเนี่ยถ้าอู้เก็บข้าวเก็บของที่มีอยู่ให้ทานนะนะมันมีความสุขนะนะ พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าต้องการนะแต่เล่าให้ฟังว่าขอมาบางทีดูไปดูมาทํำไมกุติมันรกอย่างเงี้ยครับแล้วอันนี้ก็เอาไปให้ให้ใหใหโอ้แล้วมันนั่งกลับมา น, นั่งคืนนะ้สบายใจมากเลยนะเออมันโลง่งๆอย่างเงี้สิค่อยดีหน่อยเห็นแล้วมันอึดอัดไปหมดเลยนนะส่ไม่ค่อยมีบุญมันก็บางคนนี่ให้เพื่อความเบิกบานใจพันบางคนนี่ให้แล้วสบายใจเนี่ยแต่ถ้าไม่ให้ก็เริ่มแม่อึดอัดละบางคนให้ทานเพื่อปรับปรุงแต่งจิต ก็แต่งจิตด้วยสมถะและวิปัสสนาเพราะคนให้ทานนี่เจริญพรหมิหารง่ายนะเจริญเมตตาก็ง่ายเจริญกรุณาก็ง่ายเจริญมุทิตาก็ง่ายเจริญอุเบกก็ง่ายคนให้ทานเจริญวิปัสสนาก็ง่ายเนี่ยนะเพราะว่าถ้ามีกรรมสักการะรู้ผลแห่งกรรมไปแล้วเนี่ยนะวัตถุทานทั้งหลาย อ, อย่างผู้ที่เขามีวัตถุเยอะเนี่ยเพราะเป็นผลของการให้ทานมาม า, มากใช่ไหมถามว่าถ้าผลแห่งทานเลิกให้ผลอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่มีอยู่พร้อมจะเสียหายเนี่ยนะพร้อมที่จะฉุกถูกยึดภายในไม่กี่จากคนถูกกลายเป็นคนผิดภายในไม่กี่นาทีเพราะว่าในโลกนี้สมบัติในโลกเป็นของผู้ที่มีบุญเนี่ยนะใครมีบุญก็มีโอกาสใช้สอยบริโภคไปใครหมดบุญก็คิดดูนะเสื้ออาหารที่เราว่ามันดีๆอร่อยๆถ้าลองหมดบุญ น, นะอาหารนั้นเราจะแพ้มันทันทีแพ้แล้วก็ผื่นคันขึ้นเต็มตัวไปหมดเนี่ยนะ มันถ้าหากว่ามันหมดบุญนะยังบ้านของเราว่าบ้านเราอยู่ดีๆนะตอนมีบุญนะถ้าหมดบุญนะไฟก็ไหม้น้ําก็ท่วมเนะี่ยลมพายุก็พัดเสียหายหมดอย่างเงี้ย น, นะนะถ้าหมดบุญพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นเยนะชีวิตของเราเราก็ว่าอ้เรามีบุญนะถ้าหมดบุญเนะียจุติทันทีตายโดยไร้เหตุผลนะนะไม่ตื่นชั้เฉยอย่างนง้ย น, นะเช้าไปเรียกก็ไม่ตื่นแล้วนะไม่ตื่นนะเรียกหลายครั้งไม่ตื่นนะทําไง ก็ไปวัดแล้วก็สวดจะได้ไปพายป่าชากนันนี้มันก็ก็เป็นอย่างนั้นถ้สมัยใหม่เนี่ยนะเป็นโรคที่หลับตายไม่ใช่น้อยเนี่นนอนะมังยอมเขาเล่าให้ฟังว่าเออลุงคนนั้นตายไปแล้วบอกเป็นรายตายก็ก็บอกว่านอนไม่ตื่นก็ว่างั้นก็เผาพร้อมพร้อมกันกับกับญาติอีกคนหนึ่งนะอ่ะแล้วคนนั้นก็ตายแล้วนะมัง ก, ก่อนได้ข่าวมาบอกพระรูปนั้นก็ตายแล้วเอ๊ะทาไมมันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีอย่างงี้นพราะพระรูปนั้นเรานั่งคุยกับท่านอยู่ดีๆเมื่อไม่นานนี้เอง เวาข่าวมาอีกครั้งบอกตายไปแล้วบอกเป็นอะไรตายเป็นมะเร็งตายเหมือนกันโอ้ยแล้วเราจะอยู่แล้วเนี้ยนะอีกไม่นานเนาะจะเป็นเรามั่งแลนี่ปัญหาว่าตายเขาจะไปไหนแล้วท่านนี้ถ้าตายแล้วมันจบเลยก็ดีอสิแต่มันตายนี่คือการเริ่มใช่ไหมเริ่มใหม่แล้วเริ่มอะไรเนาะไปเริ่มตรงไหนเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคิดง่ายๆนะเขาบอกว่าคนที่หมดอาชีพตกงานขึ้นมาทันทีแล้วจะไปเริ่มตรงไหนดี ชันใดผู้ที่เกิดมาใหม่ก็ลักษณะเดียวกันไปเริ่มตรงไหนเริ่มเจริญเติบโตอย่างไรไปเริ่มเรียนอะไรไปอยู่ที่ไหนไปใช้ชีวิตอย่างไรไปมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นต้นต่อไปอย่างไรเพราะถ้าผู้ที่ไม่ให้ทานเนี่ยนะผู้นี้ก็คือสมาทานให้ตัวเองอดอยากตลอดไปให้ตัวเองเดือดร้อนตลอดไปนั้นใครที่ตั้งจิตเพื่อไม่ให้ทานคนนั้นเป็นมิจฉาปณิธิเป็นการตั้งจิตไว้ผิด เข้ากับแช่งว่าขอให้ยากขอให้จนขอให้กันดาลอดอยากแข้งแรงตลอดไปไปอยู่ที่ไหนก็ให้มันไร้น้ำไร้ฟืนไรไฟไรเสื้อผ้าไร้เครื่องนุ่งหม่มนะฮะก็ให้มันรับสัมผัสนะศูนย์องศาก็ให้รับศูนย์องศาไปเลยอย่างเ้นนะร้อนสี่สิบห้าองศาก็ให้รับสัมผัสกันเนื้อสี่ิบห้าองศาไปเลยอย่างเงี้นนะเอาไหม หิวจนแสบไส้ก็ให้มันได้เสวยภาษะเหล่านั้นให้หมดเลยถ้าอย่างนี้ก็แช่งตัวเองชัดๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ไม่ให้ทานไม่ชอบให้ขณะเดียวกันยังตําหนิคนให้ดูถูกคนให้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามคนเหล่านั้นก็สมาทานความเดือดร้อนต่อไปในอนาคต <ๆ S 2> <ๆ S 1> เนี่ยนะเพราะพวกนี้พวกมีเวรกับตัวเองนะนะเท่าแช่งตัวเองแท้ๆเลยนะเกิดมาแช่งตัวเองเกิดมาประทุธร้ายตัวเองเนี่ย เขาก็เอก็คิดนะคนเหล่านี้แปลกนะไม่สงสารตัวเองโดยประการทั้งปวงอูย้ยเขาใจดำแม้กระทั่งว่าตัวเองจะทุกข์ก็ยังไม่เดือดร้อนใจเลยนะใจของเขาเด็ดเดี่ยวจริงๆเลยนะดีไหมอย่างนี้โอ้ใจเด็ดขนาดนี้ไม่น่าคบเราเนาะที่นี้การให้ทานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็จําแนกคือพระองค์ไม่ได้ข้ามให้ทานกับผู้ใดทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการให้ทานเหมือนกับการทํานา ถ้าสมัยก่อนอาชีพที่ที่มันค่อนข้างฟังแล้วเข้าใจกันทันทีก็คืออาชีพทำนาใช่ไหมทำนานี่ก็วัดกันที่ผลว่าปีนี้ได้ข้าวกี่เกวียนได้ข้าวมากหรือได้ข้าวน้อยเพราะในทำนาก็จริงแต่จริงๆอ่ะต้องการทําเพื่อเอานาหรือว่าทําเพื่อเอาเข้าวทาเพื่อต้องการข้าวทีนี้แต่ว่าต้องไปลงมือทําที่นาถ้านาดีผลก็เยอะถ้านาเสียผลก็น้อย ชั้นใดก็ดีพระองค์บอกว่าดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาอันประกอบไปด้วยองแปดไม่มีผลมากไม่มีความดีใจมากไม่มีความเจริญมากหมายา็ว่าโอ้ยได้แต่ทําทําไปนะอย่างเช่นทํานาดอนในปีฝนแรงได้เยอะไหมอย่างนี้ไม่เยอะก็คือนามันดอนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันสูงอยู่แล้วฝนมันก็แรงจะเอาน้า ม, มาจากไหนทํา แล้วก็ทํานาลุ่มในคราวน้ำมากมันก็มีผลน้อยอีกเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเจ้าของเป็นยังไงยิ้มเลยใช่ไหมโอ้ยได้มเมล็ดพันธุ์คืนก็ดีใจเถอะเนี่ยชนะันใดก็ดีดูก่อนพิสูนทั้งหลายนาประกอบด้วยองค์แปดนี้ก็เหมือนกันคือนาในโลกนี้เช่นนาลุ่มๆดดนๆนะหรือเป็นที่เห็นปนกรวดดินเค็มไถลึกก็ไม่ได้ เป็นนาที่ไม่มีน้ำทางน้ำเข้าเป็นนาที่ไม่มีทางน้ำออกเป็นนาที่ไม่มีเหมืองคือน้ำผ่านไม่ได้เป็นนาที่ไม่มีคันนาดูความพิสูจน์ทางหลาย <may ing? S 1> พืชที่หวานลงในนาอันประกอบไปด้วยองค์8 ป, ประการอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีความดีใจมากไม่มีความเจริญมากมนะก็อย่างที่กล่าวนะว่ายังมากก็ได้เมล็ดพันธุคืนเหมือนกัน ดูการพิสูจทั้งหลายฉันนั้นเหมือนการทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการก็ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่มีความแพร่หลายมากสมณพราหมณ์ประกอบไปด้วยองค์8ประการอย่างไรดูกอนพิสูนทั้งหลายสมณพราหมณ์ในโลกนี้มีความเลวอยู่ในตัว8ประการหนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิ เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิให้ทานกับบุคคมิจฉาทิฐิบุคคลก็ไม่มีผลมากไม่มีอนิสง์มากสองให้ทานแก่มิจฉาสังกับปะบุคคลคนที่มากไปด้วยอกุศลวิตกก็ไม่มีผลมากให้ทานแก่ผู้ที่มีมิจฉาวาจาใช้วาจาที่ผิดก็ไม่มีผลมากให้ทานแก่ผู้ที่มีการงานผิดกรรมมันตะผิดเนี่ยนะก็ไม่มีผลมากให้ทานแก่ผู้ที่ประกอบมิจฉาอาชีพก็ไม่มีผลมาก ให้ทานแก่ผู้ที่เกียดคร้านไม่มีมิจฉะเป็นพวกมิจฉาวายามะก็ไม่มีผลมากให้ทานแก่ผู้หลงลืมสติก็ไม่มีผลมากให้ทานแก่พวกมิจฉาสมาธิก็ไม่มีผลมากสรุปว่าให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติผิดอริยมรตปฏิบัติผิดตามองค์มรตที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเชื่อว่าไม่มีผลมาก เพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่สมณะพานแปดประการนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่เจริญแพร่หลายจะแพร่หลายได้อย่างไงถ้าเราไปให้ทานแก่มิจฉาทิฐินานให้มากเข้าบ่อยเข้าเราก็มีทิฏฐิเป็นอันเดียวกันกับเขา ใช่ไหมให้ทานแก่พวกที่มิจฉาสังกับปะมากๆไม่นานเราก็จะคิดแบบเดียวกับเขาให้ทานแก่ผู้ที่มิจฉาวาจาไม่นานเราก็จะใช้วาจาเช่นเขาเพราะฉะนั้นการให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติผิดผู้ที่ปฏิบัติประกอบไปด้วยองแปดมีเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกับปะเป็นต้นจึงไม่มีผลมากไม่มีอั น, นิี้สองมากานะตรงกันข้าม <c oughs> ออทวนอีกครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัส ปรารบอินทกะเทพผบุตรกับอะไรนะอินทกะเทพบุตรกับอะไรอังกุระเทพบุตรใช่ตอนที่พระองค์เนี่ยไปสวรรค์ชั้นดาวดึงกันนะไปประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อจะแสดงอภิธรรมปิดกโปรดพุทธมารดาตอนนั้นเนี่ยเขามีเทวดาสองคนเข้ามาเฝ้าสองคนเข้ามากลุ่มชุดแรกเลยเนะคืออินทกะเทพบุตรกับอังกุระเทพบุตรทีนี้ อินทากาเทพบุตรก็นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละอังกุระเทพบุตรนั่งเฝ้าพอเทวดามาแกก็ถอยไปถอยไปถอยไ ป, ถอ ย, ไปถอยเป่าไอ้เบาเทวดามันเป็นงนี้มันเลื่อนเองโดยอัตโนมัติใครมีบุญคนนั้นนั่งหน้าใครบุญน้อยนะมันขยับมันตัวโดยธรรมชาติเองมันถอยมันออกไปเองอัตโนมัติเ น, นี่นยนะทีนี้พอเทวดามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอินทากาก็นั่งอยู่ที่เดิม อังกุระเนี่ยขยับไปเป็นยี่สกิโลเนี่ยนะห่างไปเป็นยอดยอดเหมืงนกันเถอะเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ปราลบว่าเอ้าตอนแรกเธอมานั่งอยู่ใกล้ๆเราไม่ใช่หรือพระ อ, องค์ก็บอกว่าเอออังกุระเทพประบุตรก็บอกว่าข้าพระ อ, องค์นี่ให้ทานมากให้ทานเยอะมากแล้วก็ให้ทานเป็นหมื่นปีเพราะเขาเกิดในมนุษย์ที่อายุเป็นหมื่นปีแต่ว่าทานที่เขาให้ให้กับคนทุกศีลทั้งหมดไม่มีใครมีศีลเลยเช่นกับทานพระเวสสันดรเนี่ยนะ พระเวสสันดรนี่ให้ทานให้บุตรให้ให้ให้บุตรเนี่ยนะให้การหาชาลีนี่ก็ให้กับชูชกผู้ไม่มีศีลอะไรเนี่ยนะเพราะนี้พูดถึงว่าแต่พระเวสสันดรนี่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับอังกุระเทพพบุตรนี่ก็ลักษณะเดียวกันเนีนะเขาก็เป็นคนดีละ่ะแต่ว่าแต่ดีแบบไม่มีผู้ศาสนาอะไรนะดีไม่ได้มีสาระคมอะไรแต่ก็ให้ทานตั้งเตาเป็นยศๆนั่นแหละให้ทานเยอะมากให้ทานเป็นหมื่นปี แต่มีผลอ น, นิสงศ์น้อยกว่าอินทกะเทพบุตรใส่บาดพระอนรุท ธ, ธะครั้งเดียวนะใส่บาดกับพระ้าหันครั้งเดียวเนี่ยมีผลมากกว่ามันให้ทานกับคนไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะให้ทานแก่คนทุศีลถึงให้มากให้นานให้เยอะเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าทำนาที่ทะเลทรายเนี่ยทำอยู่ห้าร้อยปีกับทำนาดีๆสักปีเดียวเนี่ยใครจะได้ผลมากกว่ากันทำนาปีเดียวมีผลมากกว่าใช่ไหม นี่ก็เหมือนกั น, นเพราะอะไรเพราะนาดีกับ น, นาเลวฉันใดนพราะองค์ก็ตัดเป็นคาถาว่านาทั้งหลายมีย้าเป็นโทษโทษของนาเนี่ยเช่นนาใดที่ที่หวานข้าวลงไปมีแต่ย่าขึ้นย่านั่นแหละมันเป็นโทษทําให้นาเสียหายปลูกข้าวแล้วข้าวไม่ได้ผลมากฉันใดมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันมีราคะโทสะโมหะเป็นโทษ การให้ทานแก่คนที่มากไปด้วยราคะมากไปด้วยโทสะมากไปด้วยโมหะไม่มีการปฏิบัติในไตรสิกขาเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะไม่มีการปฏิบัติในศีลเพื่อกำจัดโทสะไม่มีการปฏิบัติในสมถะเพื่อกำจัดโลภะไม่มีการเจริญวิปัสสนาเพื่อกำจัดโมหะไม่มีการเจริญไตรสิกขาเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะการให้ทานแก่บุคคลเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีในสง์มาก ตรงกันข้ามถ้าให้ทานแก่ผู้ปราศจากราค ะ, ะโดยสิ้นเชิงปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิงปราศจากโมหะโดยสิ้นเชิงการให้ทานนั้นจึงมีผลมากมีอนิสงมากทีนี้การที่จะละราคะโทสะโมหะได้โดยสิ้นเชิงนี่ด้วยอะไรก็ด้วยอรยิรยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นการให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือให้ทานแกสมณพรามผู้ปฏิบัติ ข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8ดจึงมีผลมากมีอนิสงฆ์มากนะทานที่ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยนะมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าพืชอันหวานลงในนาที่สมบูรณ์เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลธั ญ, ญชาติย่อมงอกงามไม่มีศัตรูพืช ย่อมแตกงอกงามถึงความไพ่บู์ให้ผลเต็มที่ฉันใดโภชนะที่บุคคลถวายในสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ฉันนั้นย่อมนํามาซึ่งบุคคลอันสมบูรณ์เพราะทํากรรมที่กระทํานั้นสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลในโลกนี้ผู้หวังกุศลสัมปทาคือหวังหวังการให้ทานเพื่อเจริญกุศลอย่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปจงเป็นผู้ มีประโยชน์ถึงพร้อมคบหาท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์เนี่ยนะที่จะให้ทานทำบุญแล้วได้อย่างยืดยาวเนี่ยให้ให้ไปคบกับผู้มีปัญญาบุญยะสัมปทาย่อมสำเร็จอย่างนี้เพราะถ้าหากว่าเราทำบุญเกี่ยวข้องกับผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเขาจะบอกเราบอกเราในวิธีการเจริญกุศล <c oughs> เขาบอกเราว่าอย่างไง <c oughs> ก็บอกเราว่าการให้ทานที่ดีปุพพะเจตนาต้องดีนะ รักษาปุพพะเจตนาก่อนจะให้ก็ตั้งอยู่ในความผ่องใสเมื่อกำลังให้ก็ต้องผ่องใสขณะเดียวกันมีการยับยั้งชั่งใจไว้เบ็ดเสร็จแล้วว่าให้แล้ววันหลังวันหลังวัน ต, ต่อต่อไปต้องไม่เสียใจจะด้วยเหตุผลใดก็ตามต้องไม่ ไม่เดือดร้อนใจไม่ใช่วันนี้ให้ทานโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสพรุ่งนี้มาเครียดไหมไม่น่าให้เลยยังไงนะมันนั่งเศร้าใจเพราะได้ให้ไปแล้วพวกนี้ไม่มีผลมากนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตัวที่จะทําให้ทานมีผลมากมีอย น, นิสงมากคืออัปราระเจตนาเจตนาหลังจากทําไปแล้วเป็นตัวชี้แจงว่าบุญนั้นจะมีผลมากหรือไม่มีผลมากเพราะทําบุญใดที่นึกแล้วเศร้าใจทุกครั้งที่นึก บุญนั้นไม่มีกําไรอะไรเนี่ยนะแปลว่าบุญที่ศักแต่ว่าลงได้ลงไปไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากแต่บุญใดที่ทําลงไปแล้วนึกแล้วก็ปลื้มใจนึกเมื่อไหรก็สบายใจนึกเมื่อไหร่ก็ดีใจ10ปีผ่านไปนึกแล้วก็โสมนัส20ปี30ปีผ่านไปนึกแล้วก็ยิ่งดีใจยิ่งก่อนตายนึกแล้วก็ดีใจอย่างเต็มที่บุญอนันต์เนี่ยดีมากเนี่ยนะเป็นบุญที่มีผลมากมีอนิสงส์มากเพราะก่อนจะทําบุญเนี่ยนะ ปรารบให้ดีว่าก่อนทําเราแน่ใจนะว่าเราปลื้มใจแน่นะคํานวณให้ดีก่อนอันนี้เรียกว่าปัญยาณนะสัมปยุตอย่างหนึ่งนะกำลังทําประกอบด้วยปัญญาปรารบกรรมมศกตาปัญญาให้เต็มที่ทําเสร็จแล้วสบายใจไหมทําเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่าตามเดือดร้อนตามแก้ตามวุ่นวายุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วเวลาผ่านไปหลายๆปี ล, ลึกถึงสิ่งที่ทํานี่สิเป็นยังไงเนิร์กถึงสิ่งที่ถลบทําลงไปนั้น เต็มใจไหมมีความสุขไหมมั่นใจตัวเองหรือพันผู้ที่ได้เกี่ยวข้องกับผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเขาจะย้ําอยู่เสมอว่าการเจริญกุศลที่ดีที่ถูกต้องนั้นต้องประกอบด้วยการสามย้ําไว้เสมอเลยว่าก่อนให้แน่ใจนะไข่ครวญดีแล้วกําลังให้มั่นใจนะให้เสร็จแล้วจะด้วยเหตุผลเหตุผลใดก็ต้องใช้คําแบบพระเวสสันดรเป็นต้นใช่ไหมสุธินางวัตเมทานาง นนวะ่าโอ้ยทานที่ข้าพเจ้าได้ทําไปได้ให้ไปเป็นการให้ที่ดีแล้วนึกแล้วก็เศร้าใจเออนึกแล้วก็ปลื้มใจนะเศร้าใจมันไม่ใช่แล้วนึกแล้วก็ปลื้มใจนึกแล้วก็มีความสุขเพราะบุญญะสัมปทาต้องเป็นอย่างนี้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะเนี่ยนะพอพอไปให้กับผู้มีผู้มีปัญญาก็แนะนําอย่างนี้ให้สมบูรณ์ด้วยวิชาจารณะจิตตะได้จิตตะสัมปทา ทำกรรมให้สมบูรณ์ย่อมได้ผลบริบูรณ์รู้โลกนี้ตามความเป็นจริงแล้วถึงทิฏฐิสัมปทาอาศัยมัคคะสัมปทามันคนที่ให้ทานอย่างถูกต้องให้ทานที่ดีก็ต้องเป็นการให้ทานที่เป็นไปเพื่อบ่มอธิศีลสิกขาที่เจตอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อสิกขาสามบริบูรณ์มัคคะสัมปทาอาริยมัคอันประกอบไปด้วยองค์แปดก็ ประชมกันขึ้นมีใจสมบูรณ์ย่อมบรรลุอรหรันต์พัน้ามีใจสมบูรณ์ด้วยอริยมรรคอย่างนี้ก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์กำจัดความเศร้าหมองทั้งปวงได้แล้วบรรลุนิพพานสัมปทาได้แล้วย่อมหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนั้นจัดเป็นสัพพะสัมปทาเระวัตถึงพร้อมทุกอย่างคือคระคนที่สมบูรณ์จริงๆคือคนที่ปราศจากทุกขโดยประการทั้งปวง คนที่ปราศจากทุกโดยประการทั้งปวงโดยเฉพาะสิ้นทุกในวัฏฏะชื่อว่าถึงพร้อมเบ็ดเสร็จนะสมบูรณ์เบ็ดเสร็จจริ ง, รงๆเพราะไม่มีทุกให้ระคายเครื่องอีกต่อไปอันนี้ก็ความในเขตสูตรส่วนอีกสูตรหนึ่งเนี่ยสูตรไอวักเนี่ยเป็นการให้ทานทั้งวักเลยอ่ะอีกสูตรหนึ่งชื่อว่าทานูปฏิสูตรเนี่ยนะ ทานุปฏิสูตรแปลว่าเหตุแห่งการให้ทานดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเหตุแห่งการให้ทานแปดประการนี้แปดประการเป็นชไนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้คล้องหอมเครื่องลูบไหล่ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปนะเหมือนวันนี้โยมก็เอาเทียนมาให้แบบชอบจุดเทียนแล้วเอาเทียนมาให้เลยให้ประทีปแกสมามณพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้น เพราะอะไรเขาหวังว่ายังไงบางคนเน่ยนะเขาหวังว่าเขาเห็นกรรษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือครหบดีมหาศาลผู้เออบอิ่มพรั่งพร้พรอมบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าเขามีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นกษัตริย์สายของกรรษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาสานหรือครหบดีมหาศาลเขาตั้งจิตอธิษฐานนภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวไม่เจริญยิ่งขึ้น ม่ได้นึกไปเพื่อส ม, มาถาวิปัสนาพ้นทุกอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปก็เข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลครือขบดีมหาศาลแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลดูกานพิสูจ์ทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจแห่งบุคคลผู้มีศีลย่อมสาเร็จได้เพราะจิตบริสุทธ คือคือบางคนที่เขาให้ทานเนี่ยเห็นคนอื่นอู้เขาร่ํารวยเป็นเศรษฐีคือฮาบาดีมั่งคัง่งเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์อยากเป็นแบบเขามั่งก็เลยให้ทานพอให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาะอยากจะเป็นตระกูลแบบนั้นอยากเป็นผู้มีชาติตระกูลแบบนั้นสมบูรณ์ด้วยโภกกษัพย์อย่างนั้นให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาะแต่ที่แน่ๆต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ไม่มีศีลไม่ได้รักษาศีลอย่าว่าเป็นมนุษย์เลย ขออภัยอย่าว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์เลยเป็นคนยังเป็นไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลเพราะคติของผู้ทุกศีลไปไหนอาบายทุกคติวินิบาตนารกเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้ทานตั้งความปรารถนาแล้วประสบความสำเร็จนั้นเป็นของผู้มีศีล น, น, นะถ้ามีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลตั้งความปรารถนาเป็นมนุษย์เป็นต้นก็ประสบความสาเร็จจะเป็นเศรษฐีขหาบดียังไงก็ ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นหวังความร่ํารวยเอาชาติหน้าเนีนะชาตินี้ยากจนมังกระช่างมันน่นเถิดนะขอขอขอเป็นคนมั่งคนมีชาติหน้าก็แล้วกันขณะเดียวกันต้องให้ทานแล้วก็รักษาศีลด้วยนะให้ทานรักษาศีนแล้วก็ปรารถนาความเป็นคนมั่งมีเนี่ยนะอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองบางคนนี่ให้ทาน พราะเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยมีอายุยืนมีผิวงามมีความสุขมากเขาก็ปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอมเมื่อเราตายไปขอพึงอขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมเป็นต้นเนี่ยนะ ก, ก็ตั้งจิตอธิษฐานเนิร์กภาวนาอยู่จิตของเขาเนึกน้อมไปในทางที่เลวจริงๆเขาควรจะน้อมเนึกไปเพื่อมรรคผลใช่ไหมน้อมไปแค่จาตุมเนี่ยไม่ดี เพราะฉะนั้นเมื่อตายไปก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่เป็นของผู้ทุศีลดูก่อนพิสูจนทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์ราะฉะนั้นให้ทานปรารถนาสวรรค์ชั้นจาตุม ถ้ามีศีลก็สําเร็จนะถ้าหากว่าให้ทานแล้วปราถนาดาวดึงถ้าเป็นผู้มีศีลก็สําเร็จถ้าให้ทานแล้วปรารถนายามาดุสิตนิมมานารดีปรณิมิตะวสวสดีความปรารถนาก็สําเร็จถ้าเป็นผู้มีศีลเพราะผู้ทูตศีลเนี่ยปรารถนาอย่างไรก็ไม่สําเร็จนะนะหรือแม้กระทั่งว่าปรารถนาที่จะเกิดในพรหมโลกปรารถนาที่จะเกิดในพรหมโลก แล้วก็ให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาแล้วเจริญสมถะวิปัสนาเจริญสมถะเจริญพรหมมิหารเป็นต้นการให้ทานเพื่อเจริญพรหมมิหารก็สามารถไปเกิดในพรหมโลกได้อย่างที่ต้องการอันนี้เป็นในทานูปฏิสูตรส่วนอีกสูตรหนึ่งชื่อว่าบุญยะกิริยาวัตถุสูตรโอ้ยวันนี้เรียนสูตรเยอะแยะไปหมดเลยนะได้ไปหลายสูตรด้วยกันแต่ก็เกี่ยวกับให้ให้นี่แหละ เพื่อวันหลังจะได้ไปเจริญจาคารุสติได้เนี่ยนะเพราะอะไรนะการฟังทำในเรื่องการให้ทานที่สมบูรณ์ย่อมนำมาซึ่งอะไรก็ศรัทธาที่สมบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์พอศรัทธาบริบูรณ์โยนิโสก็เกิดใจมันก็จะน้อมไปเพื่อจะให้ทานไปที่ไหนก็น้อมไปเพื่อจะให้ทานเนี่ยนะพอท่านคล้ายๆเป็นลูกหลานพระเวสสันดรใช่ไหมพระเวสสันดรท่านว่าไงนะโอ้ยไม่ได้ยินเสียงขอทานเนี่ยมันเศร้าใจเหลือเกินเห่างนั้น พวกนี้เดือดร้อนใจนะั้นไม่ได้ยินเสียงคนขอเพราะฉะนั้นพอได้ยินเสียงคนมาขอมีความสุขมากจะได้จำแนกห้นใจของเราไม่อิ่นในทานเพราะฉะนั้นก็ยินดีในทานเนี่ยนะแต่ว่าเชื่อไหมไอ้คนที่ใจนี่แห้งแล้งในเรื่องทานเหลือเกินเพราะมันไม่มีอะไรจะให้เพราะอาดีตก็ไม่คิดจะให้อยู่แล้วปัจจุบันใจก็เหี่ยวเฉาไม่น้อมไปเพื่อจะให้เพราะฉะนั้นเฉาทั้งชาตินี้เฉาทั้งชาติหน้าก็อย่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะบุญยะกิริยาวัตถุสูตรบอกว่าดูก่อนพี่สูตทั้งหลาย บุญญากริยาวัตถุสประการนี้สาประการเป็นไฉนิบุญญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยการให้ทานหนึ่งบุญญากริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีลหนึ่งบุญญากริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนาหนึ่งดูความพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญญากริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อยทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลนิดหน่อยไม่เจริญบุญญากริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์เกิดมาก็สักแต่ว่าได้เกิดเป็นมนุษย์น่ะนะมีทรัพย์สินมีผ้าก็เพียงเพื่อปกกายมีอาหารเพียงเพื่อไม่ตายสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าทานก็นิดหน่อยสีนก็นิดหน่อยก็เลยกลายมาเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะไม่สมบูรณ์ก็คือเป็นคนที่เดือดร้อนเนี่ยนะอย่างในยุคนี้เนี่ยนะเราฟังคนมีความสุขกับคนเดือดร้อนไหนมากกว่ากัน คนเดือดร้อนมากกว่านีนะไม่ใช่เฟิร์สถามเฟิร์สเฟิร์สในโลกนี้คนยากจนกับคนรวยไหนมากกว่ากันบอกคนรวยสิครับมีมากกว่าเฟิร์สพาไปอินเดียกลับมาเฟิร์สคนรวยกับคนจนไหนมากกว่ากันบอกคนจนมากกว่าแล้วตอนนี้นนี่นั่ <c oughs> นก็บางคนนี่ก็เกิดมาเห็นแต่คนมีบุญเลยใช่ไหมก็นึกเอ้ยคนยากคนจนนี่มันเป็นยังไงนะแต่ถ้าไปเจอคนยากจริงๆคนอด ค, คนอยากเป็นต้นเนี่ยจะรู้ว่าโหคนยากนี่เยอะ แต่ที่เขาเป็นอย่างนั้นนะที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ด้วยผลแห่งบุญนะแต่เขาไม่ทําบุญมาเขาไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกเนี่ยนะที่เขาแต่ว่าแม้ทานก็ทานชนิดเลวมาเนี่ยนะศีลก็ศีลสักแต่ว่าศีลมันก็พร่องก็แพ่ ง, พงเต็มทีเพราะฉะนั้นทานอย่างเลวศีลอย่างเลวภาวนาก็ไม่สนใจเวลาเกิดมาก็เป็นคนทุกคนยากอย่างที่เรารู้กันดูการพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทําบุญยักิริยาวัตถุสําเร็จด้วยทานพอประมาณ สำเร็จด้วยศีลพอประมาณแต่ไม่เจริญบุญญะกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ก็กลายเป็นมนุษย์ชั้นดีว่างั้นเถอะมนุษย์ชั้นดีก็คืออะไรก็คือคนที่เกิดมาในตระกูลสูงรูปดีมากมีด้วยโภคศัพท์เป็นต้นเนี่ยนี้แปลว่าให้ทานมาพอประมาณรักษาศีลมาพอประมาณแต่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุอะไรหรอกเน่นะ <c oughs> ส่วนบุคคลต่อไปบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญยกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณอย่างยิ่งให้ทานมากทำบุญยกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ก็ไม่เจริญภาวนาไม่เจริญวิปัสสนาอะไรเมื่อตายตายเขาก็เข้ า, ข า, ข า, ขาถึงสหายของเทวดาชั้นจาตุ ม, มหาราชนี่พวกนี้ให้ทานมากนะจะเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ย ต้องให้ทานมากต้องรักษาศีลเป็นอย่างมากจึงจะได้เกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมดูก่อนพิสูจทั้งหลายเท้ามหาราชทั้งสีในชั้นนั้นทําบุญญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานเนี่ยเป็นอดีเรกคือเป็นมากบุญญากิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลนี่เป็นอดิเรกคือเป็นอย่างมากย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชโดยทานะสิบประกรันเพราะว่า ท้าวมหาราชทั้งสี่เนี่ยนะล่วงเทวดาชั้นจาตุมทั้งหมดด้วยอายุวันสุขยศอธิปไตยรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะะอันเป็นทิพย์เนี่ยนะก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์มากส่วนคนที่ให้ทานมากรักษาศีลก็มากแต่ไม่เจริญภาวนาก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง น, นะดาวดึงในี่ใคร ยิ่งใหญ่ที่สุดบอกว่าเท้าสักกะเพราะท้าสักกะเป็นคนที่มากด้วยการให้ทานและรักษาศีลแต่ตอนหลังมาเท้าสักกะก็เจริญภาวนาบรรลุเป็นพระโสดาบันไปแล้วแต่พูดถึงเมื่อก่อนน่นนะส่วนชั้นยามาแหะชั้นยามาก็เท้าสุยามใช่ไหมเท้าสุยามนี่ก็ผัสคลายที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาก็พวกนี้ก็มากด้วยทานมากด้วยศีล ส, สวรรค์ชั้นดุสิต เหมือนกันนะสวรรค์ชัน้นนิมมารดีปรนิ ม, มิตตวสวัสดีก็ลักษณะเดียวกันบอกว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญยักิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญยกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่เจริญบุญยักกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชัน้น ป a r a n i m i t ส a v a s w ดูก่อนที่สูทั้งหลายทา้ปาปร r ิม i m i วะสวั a ดีเทพบุตรในชั้นป a นิมมิต t t a v a s w a นั้นทําบุญยะกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานเป็นอดีเรกคือเป็นอันมากเนี่ยนะอดีเรกไม่ใช่ทําเล่นๆ น, นะทาบุญยะกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลเป็นอันมากย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นป a r a ม i m i t t a v a s w a โดยฐานะสิบประการคืออายุวรนะันสุขยศ อธิปไตยรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะอันเป็นทิพย์ดูความพิสูจทั้งหลายบุญญากริยาวัตถุสามประการนี่แหลเพราะฉะนั้นทานนี่ก็ถือว่าเป็นของจําเป็นเป็นเหตุอนนะทานกับศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นเหตุให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นแต่ภาวนาโดยเฉพาะสมถาวิปัสนาที่เคียงคู่กันไปสมถาวิปัสนาเหล่านี้เป็นตัวที่ทําให้เราทั้งหลายพ้นจากทุกเพราะทานกับศีลเป็นบาศ เป็นพื้นฐานให้เจริญสมถะและวิปัสสนาพันการให้ทานการรักษาศีลที่เป็นบาตแห่งการอบรมสมถะและวิปัสสนานั้นจึงเป็นบุญที่สูงสุดเ น, นนะเพราะว่าบุญเหล่านี้จะน้อมไปเพื่อความสิ้นทุกข์ในวัฏฏะโดยประการทั้งปวงนี่ก็ยกข้อความมาประกอบในจาคานุสติ ที่เป็นวัยพ์ของการให้ทานทั้งหลายซึ่งผู้ใดที่เป็นผู้ที่มากโดยการให้ทานหมันตามระลึกถึงฐา น, นากุศลที่ตัวเองได้เคยทำไปเนี่ยนะอันนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดปีติปราโมทเกิดปัสสัตทิเป็นต้นเพราะมันระลึกถึงเธอการให้ทานไปทำที่ใดเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมบุญกุศลที่เราได้ทำไปแต่ไม่ต้องไปกาหนดจดจาตัวบุคคลที่เราให้ บางคนนี่ยเขาเขาเป็นประเภทอะไรนะทำบุญประเภททวงบุญคุณเพราะฉะนั้นเขาจะจำแต่เฉพาะคนที่เขาช่วยจำตัวคนนะั้นไม่ใช่จำบุญที่ตัวเองทำจำแต่ตัวคนก็เลยไปร้องเรียกหาแต่ผลแห่งความดีที่ตัวเองได้ทำลงไปกัดคนนั้นๆก็เลยบอกเราเป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้น น, นะเข้าใจผิดแล้ว แต่ถ้าการให้ทานที่ดีที่ถูกต้องละลึกถึงบุญที่เราได้เคยทำคนนั้นก็เป็นนาบุญให้เราคนโน้นก็เป็นนาบุญให้เราคนนั้นคนนั้นก็เป็นนาบุญให้เร า, นนเนนาบุคคลนั้นที่อยู่ณสถานที่โน้นเป็นต้นก็เป็น น, นาบุญของเราเราได้ทำบุญไว้กับบุคคลนั้นบุคคลนั้นแล้วเนอละลึกไปอย่างนี้บ่อยๆใจก็ปีติแล้ว ส Кор ม, มนัสไม่ใช่เนื้อไอ้คนนั้นเราก็เคยให้ไม่เห็นเราให้เราตอบเลยไอ้คนนั้นเราก็ช่วยไม่เห็นมาสนใจเราเลยไอ้คนนั้นเราก็ไปช่วยไม่เห็นขอบคุณเราเลยถ้าอย่างนี้ที่ยิ่งคิดยิ่งเศร้าพลอ ย, ยเลิกทําดีไปสิอีกนั้นอันนั้นไม่ใช่ถูกต้องไอ้ที่ถูกต้องคอวรระลึกถึงแต่บุญกุศลที่เราได้กระทําลงไปตามสถานที่ต่างๆตามบุคคลต่างๆนึกถึงตัวบุญนะไม่ใช่นึกถึงตัวบุคคลเนี่ยนะเจนทอนมันก็ ช่วงเช้าวันนี้เนติปกรณ์ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้